มาตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้ก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าพ้านมาแล้วเป็นเวลาสี่วันวันนี้เป็นวันที่ห้าเราได้ทำความตกลงกันเอาไว้ว่าจะทำสิบวันยังเหลืออยู่ห้าวันเราจะได้ทำมาอย่างนั้นจึงตั้งใจทำคำว่าปัญญา คนจะร่วงคุปตะภาบปัญญาเนะี่ยมันเป็นญาณของยิปสนาหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างที่ว่าปฐมมชฌานทุติญาฌาน ต, าตาาัติญญาฌานเจตุธาฌานปัญจะมะชญัชฌานอันนี้มันเป็นญาณแบบ น, นี้เราเข้าใจว่าในตำราวปฐมมาชฌานะมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจาณปีติสุขเอกขาตาทูติญาฌานมีองค์ต มีตกวิาการณ์ทธิปาฏิหาริยแล้วก็มีตัดอิทธิสารไปตามขั้นตอนไปมีองค์ห้าองค์สี่องค์สามองค์สององค์สองนี่มีสองครั้งเนี่เป็นไวในตำรานังสือเพื่อนบิณฑุของนดังนั้นเรามาที่นี่มาปฏิบัติธรรมะนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจเมื่อเรารู้เราเข้าใจกันแล้วมันจะไม่คล่องแวะอยู่ตำรา เพราะมันจะไปสัมผัสแนบแน่นยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีนั่นเองคำว่าปฐมสาณมีองค์ห้าคือเบื้องแรกรู้เรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณนี่เขาได้ไม่ใ่ว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาก็ได้และวแ่จะพูดมันมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยดังนั้นคำว่าปฐมามาณเนี่ยต้องเข้าใจ ที่หลวงพ่อนามาเล่าให้ฟนะังคือให้รู้ว่าถุนนี้เองเป็นปฐมอันรูปดลบนั้นมันเป็นปฐมมาเลิกมันเป็นเลิ่มต้นที่จะรู้ทีแรกเพียงมาดีใจไม่หลงไม่ลืมคือจะไม่หลงทำผิดเดีอยวไม่ไหว้ผีเลิกลกได้หลวงพ่อคนอื่นให้จะเป็นยังไงไม่รู้หลวงพ่อเลิกการไหวผ้ผีเพื่อือกงามงานดี เทวาดาแล้วนี่หลวงพ่อเลิกได้สิ่งเศษติดทุกประเภทหลวงพ่อเลิกได้แต่เมือรู้ลูกนามทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่ อ, พอคล้องแวะอยู่หลวงพ่อเลิกได้แต่เรื่องโทสะโมหะโลภง า, านี่ยังไม่เข้าใจทีจ่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่เป็นปฐมมสารมันเป็นปฐมมาเลิกตอนที่หลวงพ่อเข้าใจเป็นปฐมมสารนี่คือหลวงพ่อมารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่แนอยู่กับวัตถุ วัตถุปรามาตอานนี่เรพอเข้าใจนี้แล้วก็มารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับโทตะโมหะโลพะนี้แล้วก็มารูมาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณนี้อันนี้แหละเป็นปฐมเลกิกแล้วพอรู้อันนี้แล้วมันเกิดปีติเป็นนิดเดียวประมาณจาก ไม่ถึงพอสองนาทีเดี๋ยวหลวพอเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อคิดหลวงพ่อเองนั่นเนี่ยมันมืดอยู่ในใจแต่ใจมันยังไม่สว่างแต่รู้สึกว่าน้ําหนักของตัวเองเนี่ยร้อยกิโลเออตกไปแล้วบ้างนี่แปดสิบกิโลยังเหลืออยู่เพียงยี่สิบกิโลนั่นเท่านี้เข้าใจอย่างนั้นเลยเข้าใจขอมเป็นพระโอ้เราเป็นพระได้แล้วเนืยอปัญญาของอุปัสนาทีเดียปัญญาไปสอดรู้สอดเห็นเข้าใจ อันนี้ดอกปัญญาญาณบันนี้เราก็พยายามเล่งคมเพียนเข้ามันจะเกิดติีติ๋ยวมันมืดอยู่ในใจยังไม่สว่างมากเท่าไหร่ก็เลยมาเห็นมารู้มาเข้าใจสัมผัสแนบแน่งอยู่กับที่เลดตันหาอุปทานกรรมนี่แหละอันนี้เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลตอนนั้นหลวงพ่อรู้ตอนเย็นหลวงพ่อเลยมานอน มานอนตอนเล้ามาหลวงพ่อลุกในระยะคิดว่าปีสามกว่าเนี่ยหลวงพ่อล้ลางหน้าธรรมดาเรานี่เนี่ยลุกแล้วก็ทําจังหวะอยู่ในห้องแล้วก็ล้กก า, ลางหน้าล้างตาดีๆแล้วหลวงพ่ก็เลยมาใต้เทียงไขใต้เทียงไขเดินกลับไปกลับมาเพราะมันไม่มีไฟฟ้าเอาใต้แบบส่วนนั้นส่วนนี้ขับไปกลับมาไม่นานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยรู้จักศีลขึ้นมาเลยนี่มันเป็นอย่างไง แต่ก่อนหลวงพ่อยังไม่รู้ศีลนี่ก็ยังไม่รู้พอดีตอนเสาวบุตรพอลูเพราะศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากประเสริฐตัญราสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดนี่เป็นการทบทวนข่มรู้ให้พวกเราได้จดจําเอาไว้แล้วก็นําไปปฏิบัติหลวงพ่อคิดว่านี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าจะพบพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้ แต่ไม่ใช่เจ้าสายสิทธาถกุมารพระพุทธเจ้าคืออันจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นเองก็เลยเห็นสินสินก็ไม่ใช่ว่าสินอันอย่างที่อธิศินติดขาอธิกิตติขาที่ปัญญาติดขาไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสามร้อยเหล่านี้คือเห็นสินขันสมาธิขันปัญญาขันสินขันไม่ใช่ว่าขันห้ามีศิลก็ได้ยอเวทนามีศินก็ได้ ได้ใจว่าพูดยันยกระดาย่อสินขันคือขันกับกับรูปนี่เองสินขันสมาธิขันปัญญาขันคือขันเบื้องแรกก็ต่อรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันอันนี้เราเคยพูดกันสินขันคือรูปจนมีสินสมาธิคือคําพูดคําจาแล้วนั่นเองมีสินเพราะคนพูดมันต้องพูดมีสินมีสัจจะสินดังนี้ก็โตจิตใจคุ ตัวจิตใจก็มีสินตัวชีวิตก็ว่าได้ตัวจิตใจก็ว่าได้เนี่เรียกว่าศินขันจะมาที่ขันปัญหาขันกิเลสย่างหยาบ ก, ก็ได้แก่โทสะโมหโะโลภะกิเลสปัญหาอุปทานคันนีจางขายไปแล้วก็โทเห็นคำว่าศินมาที่นี่ก็หมายถึงว่าเราเอาเพชรหรือเอาทองคําเอาอะไรมาวางไว้แล้ผ้าทิริว้วหรือสิ่งที่สุกปรกตกไว้แล้วก็เลยไม่เห็น บัดนี้เราเอาลื้อออกผ้าที่ริ้วสิ่งที่สกปรกนะลือออกทีละนิดทีละนิดก็เลยเห็นเพ็รหรือทองคําที่มันดูใต่เง่นอันนี้ก็มีวันขันสินี้นก็เลยปรากฏขึ้นมาให้เห็นพอดีสินนี้เห็นแล้วก็นหนักแน่นเนี่ว่าสินเป็นอ่าปกติหนักแน่นเป็นปกติเมื่อปีปกติแล้วก็อ น, นันตคือพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแบบนี้เดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าจับแขนจับขาจับมือจับเท้าจับพระพุทธเจ้าได้จริงจรินไอ่แต่ว่าจับไม่ได้ด้วยมือมันคืว่าตาจับก็ได้หรือว่าปัญญาจับก็ได้จีว่ามันสมมติภภพูดเท่านั้นเองเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจจากนั้นเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้จักความสงบขึ้นมาทันทีนี่ความสงบนี่ น, นี่ยคือว่าสงบแบบไม่รู้หลวงพ่อเคยทําความสงบมา อย่างที่เราภาวนาพุโทโธหรือสมาอลหังนับ 1, 2, 3่งสองสามดูลมหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดอันนี้หลวงพ่อเคยทำมานั่งสงบแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรเป็นสินอะไรเป็นอนุพ่อมีอุปทานดุกในสินเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นอันนี้จ้ะไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทำเสรย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 ก็สว่างขึ้นมาพอดีไฟมอดลงไปแนละ้วมืดตึ๊บอยู่เหมือนเดิมมืดจะเตียบอีกอย่างหนึ่งก่อนเราจุดไฟขึ้นแล้วมันก็สว่างขึ้นมาเราเอาไฟมาข้างหน้ามืดมันมาข้างหลังเราเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้ามันหลบตัวก็อยู่อย่างนั้นควมสงบแบบนั้นดังนั้นที่ว่าความสงบจริงๆนั้นมันต้องไม่ไม่ต้องใต้ไฟไม่ต้องใต้ไฟอันนี้แบบปัญญานี่ไม่ต้องใต้ไฟ คือเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงอยู่ดางนั้นบั น, นี้อันการใต้ไฟเนี่ยมืดมันอยู่ที่มือเรานี่เองอยู่ใต้ซอกแันนี้ก็ได้เพราะมันอยู่กับเราเนี่ยคไม่รู้มันอยู่กับเราเมื่อเราไม่เห็นมาเข้าใจไม่ต้องไต่ฝันเควมรู้อันนั้นมันก็อยู่กัจริงแต่ว่ามันมันไม่ทำอะไรถ้าเราไม่ให้มันทำมันก็ทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้ น, น, นวิปัสสนาจึงมีอารมณ์ ลิปสนาแบบที่เราทําอยู่ในขณะนี้มีอารมณ์ขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปเดี๋ยวเป็นปฐมมาสารเป็นทูติยญาสารเป็นตัติยญาสารเป็นจัตุธาสารเป็นปัญจามาารแต่ว่าในตําราเนี่ยก็พูดคล้ายๆกันอันนี้ก็คล้ายๆกันจะมันเข้ากันได้แต่มันรู้จักอย่างนั้น ต, ตัติญญาสารมั น, นี่รู้จักสมถะกรรมาฐานรู้จักความสงบนี้เองอืมแต่เดี๋ยวจัตุธาสารเหมื น, นีัย ก็หมายถึงเรารวบรวมรวบรวมคุณรู้ใจเราไม่ได้รวบรวมมันหรอกมันเป็นเองสตุสสารมันรวมกันทั้งหมดเลยจะว่าขันห้าก็ได้จะว่ารูปก็ได้จิว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่าได้จะว่ายังไงได้ทั้งนั้นเนี่มันเป็นอารมณ์เรารู้เราเห็นเราเข้าใจสิ่งที่ทําดีและทําชั่วมันตรงกันข้ามอย่างนี้เงื่อนกับสว่างมันตรงกันข้ามขาวกับดํามันตรงกันข้าม มันตีนอย่างนี้พอดีมันรวมกันคล้ายๆคือมีจากสามคนหรือสี่คนห้าคนก็ตามเราไปทํางานกันนิดเดียวกันนั่นแหละแต่คนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทางอย่างนั้นคือทําตามหน้าที่นั่นเองหน้าที่ของนายปอนายอก็ต้องทำํำหน้าที่ของนายขอนายขอต้องทำํำหน้าที่ของนายงอคนนายงอต้องทําสมมุติเอาสามคนก็ได้พอดีได้เวลาตีละคงปิ้งอย่างที่เราตีละคงทําวัดเนี่ย วางมันวางสอ่อหรือวางกระดาษลุกวัตถลุกลุกจริงๆวางเปิ๊บพร้อมกันทันทีหลวงพ่อก็เลยเปียกเอาไว้ธรรมดานะหลวงพ่อไม่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนเขาทํากันเป็นหิ้ยนหรือว่าเฮ้ยนสามขาเขาทํ า, าย่างปลาย่างเนื้อย่างอะไรกันต่างๆเนี่ยตอนนี้ตัดสองตัดอัปขาหนึ่งอย่างสองขามันจังไม่อยู่แล้วแบบนี้ตอนนี้มันต้องล้มไปทาง ไม่มีขามันมีสามขามันยันเจ้ค่ะมันตั้งได้วันนี้ตัดขานึงแล้วสองขาจั่งไม่ได้ตัดต่อไปขาหนึ่งแล้วยังขาเดียวตั้งไม่ได้หลวงพวกก็เลยมาเปรียบว่ามันปรุงไม่ได้หลวงพ่อเคยเปรียบไว้เอาเสื้อผูกไว้แล้วบดึงเข้าขากันมันไม่ถึงอันนี้เรียกว่าเป็นปัญจมสาสัตัดพร้อมกันแล้วนี่หรียว่าขันห้าไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญญา เข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจสัมผัสแนบแน่แนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดีกว่าเป็นปัญจามาสารปัญจามาสารนี่ธรรมนามีองค์สองหรือจัตุทาสารนี่ว่ามีองสองคือมีสุขกับมีเอกขตาวแล้วก็มีสุขกับมีโอเป้ขาวตำลาทัาน่าอย่างอันนี้หอกงพ่อไม่ได้พูดอย่างมันแต่ว่ามันเข้ากันได้แต่ว่าองสองก็ได้คือว่าอง ห้าก็ได้คือมันขาดออกจากกันแล้วปรุงแต่ไม่ได้เหมือนกับน้ำมันกับน้ำทานี่เองเอาไปเข้าในขวดเดียวกันแต่เราไปลกคนกันมันไม่เข้ากันแต่มันอยู่ด้วยกันได้อันนี้การทำวิปพานาแบบนี้กว่าเช่นเดียวกันเมื่อมาถึงจุดนี้เราจะเห็นลูกแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ดีแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้น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 แต่ไว้เส้นนี้จะถูกคือจิตใจหรือตาใจหรือปัญญาและจะจับพวกเป็นเรื่องสมมุติที่ว่าให้รู้จักสมมุติบัญญัติปารมัตบัญญตัติอัฐะบัญญตัติอนิยบัญญตัติให้รู้จักจริงๆแต่ทุกคนนี้่พน้นต่อนนี้เรี๋ยวสัจจะทมแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมั่นคงถาว อ, อยู่ตลอดเวลาถึงจะมีพระพุทธเจ้ารู้ก็มีอยู่อย่างนี้ตัวนี้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 ถ้าหากจเจริญสติปัฏฐานสีอย่างถูกต้องอย่างงานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันทําให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อาณิโสมน์นั้นมีสองประการหนึ่งเป็นพระอาหารหันในปัจจุบันพบนี้หรือศาตร์นี้อถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารหันในปัจจุบันพบนี้ศาสตร์นี้นั้น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 ปวดขันตัวเองเป็นเวลาเก้าวันแต่ท่านกนําหนดว่าต้องหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันท่านว่าอย่างไ น, นบัดนี้เรามาฝังมาทํากันจริงว่าให้เราพยายามทํำกันจริงทํากันจริงถ้าทําจริงก็ต้องรู้ของจริงไม่มากก็น้อยถ้าของไม่จริงแล้วรู้ชนจริงน้อยหลวงพ่อเคยพูดพูดความจริงจะต้องพูดได้ไม่เป็นอะไร คือไม่สะทกสถานใครจะพูดยังไงก็ตามไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันมีพระอยู่ยี่สิบสามลูกกับมีโยมห้าคนเป็นผู้ชายสองคนเป็นผู้หญิงสามคนไปปฏิบัติธรรมะรูไม่เหมือนกันพวกนั่งกระลูบไปอย่างพวกนั้นหลวงพว่อกรลูบไปอย่างหลวงพ่อที่ว่าทำมาอันที่หลวงพ่อพูดนี่เดีย ว, ว่าสัจจะแท้จะเรียนหนังสือให้แตกสารในพระไตรปิกก็รู้อันนี้ แม้ไม่เรียนหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นก็ต้องรู้อันนี้มีเงินมีทองจักหมื่นล้านแสนล้านก็ตามก็ต้องรู้อันนี้ไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่เพียงพ อ, อยู่พอกินอย่างที่เราเราอยู่กันทุกวันนี้ก็รู้อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นสัจจะแท้ทั้งจะมีผู้รู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งหลายหน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 มีการศึกษาเล่าเรียนมามากฟังได้เป็นเพราะอรหรรนันต์ก็มีท่านว่าอย่างนี้นว่าการฟังธรรมะนั่นจึงตั้งใจฟังเนื้อฟังแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้หลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดให้เวลานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอา น, นิสงไม่ต้องพูดเลย จะหมดความสงสัยกังวลใจถ้าหากว่ายังไม่ถึงที่สุดทุกข์ก็ต้องแน่นอนเนอะกังวลใจจะไม่สงสัยไม่มีเลยเพราะว่าเราได้ต้นทางไปทีแรกเป็นอย่างไ น, นตอนนี้แหละที่ที่เรามาแนะแนวกันว่า จ, จะทำยอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาเอาไว้เนี่ยว่าคือเราไม่อยากเจ็บมันอยากให้ไม่อยากตายอยู่แล้วไปจำเป็นต้องไปหาหมอต้องเสียเงินยอมเสียสละทราาัยวะ เพราะรักษาชีวิตชีวิตนี่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้บัดนี้ยอมเสียกับทั้งชีวิตเพื่อรักษาความจริงถ้าหากไม่พูดความจริงแสดงความจริงจะเละเรื่อนไปเลยดังนั้นการพูดการสอนกันอยู่พูดแต่นความจริงเท่านั้นเองจั่วสัจจะแท้ถ้าแต่พันแต่จากความจริงเสียแล้วไม่ได้พูดความจริงเสแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัจจะ ก, ก็เป็นสัจจะอันก็เป็นแต่ว่าสัจจะพื้นพื้อ น, พอนอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเอาไว้ ให้พวกเราเคยได้ยินในเร่องข้าวเปลือกมันก็นเป็นสัจจะอย่างหนึ่งข้าวสารมันก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งข้าวสุกมันก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งแต่กินข้าวเปลือกไม่ได้ทิ้งข้าวเปลือกไม่ได้เนี่ยกินข้าวสารก็ไม่ได้เอาข้าวสารมาเป็นพันก MM. ็ไม่ได้กินข้าวสุกได้เอาข้าวสุกเป็นพันไม่ได้อันนี้เนี่ยวสัจจะแท้แต่ทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ดังนั้นจีว่าให้พวกเราพยายามทําความเข้าใจกับตัวเราจริงๆ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 จะล่อคาบเหมือนต้นไม้ต้นเปื่อยบ้านหนวเขาเรียกต้นเปือยต้นเปื่อยจะลอคาบได้ล่อคาบคนนี้ลอาคลอาบไม่ได้ต้องตายจริงๆต้องประสบเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าคนไม่ได้ตายเรียกว่าอาการขูมแปลี่ยนไปเราจะรู้ไปอย่างนี้เราต้องรู้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยสอนเอาไว้ว่าหากพระธรรมวินยัยเรามีอยู่มีผู้ประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินยัยเราอยู่ มรรคผลมิถานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เราไม่เคยรู้หรือมิถานปมายคือว่ายังไงไม่รู้หลวงพ่อจะกอนนึกว่าตายแล้วจริงๆมีคนมารับหรือมีใครมารับเราเอาดวงจิตวิญญาณของเราขึ้นไปตื้นมิถานนึกว่ามิถานเป็นบ้านเป็นเมืองเข้าใจอย่างไงแต่ความจริงอ่ะมิถานมันอยู่ที่เรานีเองมันไม่ไกลแล้วท่านตัดซ้อนไว้อีกขั้งหนึ่งว่าพิกษุพิกษุณีอุบาสกอุปสิกาดูโดยชอบ พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ตอนเราเข้าใจพระอรหันต์เนี่ก็ไกลกับความจริงแต่หลวงพ่อก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนเดี๋ยวดีหนวงพไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อนำความจริงมาเล่าให้พวกเราได้ฟังเอาไว้คือเป็นเครื่องหมายเอาไว้เท่านั้นเองก็ได้พระอรหันต์คือรู้ตัวเรารู้ให้ครบให้จบให้ท้วนรู้กิเลส ก, ก็ว่าได้รู้สิ่งที่ไม่มีกิเลส ก, ก็ว่าได้เราทำวัดเศ้า นึกทำวัดเด่นจบแล้วก็นั่งดูควมสงบอันควมสงบนั่นน่ะเรียกว่าอยู่โดยชอบเมื่อจิตใจเรานึกคิดขึ้นมาก็เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นใกล้ๆเข้าไปบัดบนี้กิเลสประเภทใดจะมารบ ก, กวนก็เห็นก็รู้เนี่ยหลวงพ่อ ก, ก็เลยสมมุติขึ้นว่าเออเด็กเด็กแล้วจะมาสู้กับเด็กเด็กเด็กที่แรกมันมีกําลังเรียกว่าสมมุติเอา มันมีกำลังแรงเรายังคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนยังไงก็ตามเนี่ยสมมติขึ้นมาสู้กับเด็กทีแรกก็ต้องเด็กสนะเพราะเราไม่เคยสู้มันบัดนี้เรามารู้มาเห็นอย่างนี้เด็กนั่นก็เลยกลับไปเป็นเด็กทีแรกมันเป็นคนอ้วนคนตัวมันจะลุกขึ้นมาสู้เราเอามือกดหัวมันไว้มันก็เลยสู้เราไม่ได้หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบเอาไว้หลายอย่างเมืกับนักมวยนี่เองคนเรียนมาจากครู เวลาจะขึ้นสู่เวทีก็ต้องไหว้ทิศนั้นทิศนี้แต่ไปสู้กับนักมวยคู่ต่อสู้มีแพ้บ้างมีชนะบ้างบัดนี้พวกเรามาที่นี้ไม่มีนักมวยคู่มีแต่นันกมวยเคยต่อสู้เท่านั้นเองพวกเราเคยให้ทานมาแล้วเคยรักษาศีลมาแล้วเคยทำสมถะกรรมฐานมาแล้วเคยเจริญวิปัสสนาภาวนามาแล้วแต่บางคนก็เข้าใจอย่างนี้ก็มีบางคนยังมาเข้าใจอย่างนี้ก็มี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 นี่ว่าประเภทเป็นปรมามัติแท้อันนี้ที่ว่าปรมามัติบัญญัติอัฐะบัญญัติอริยบัญญัติโทุกสมมุติมาพูดทั้งนั้นแต่ออความจริงไม่เอาสมมติมาพูดไม่มีคําจะพูดได้เลยนันเป็นอย่างนั้นบางคนรู้ทำมาแล้วหุกปากพูดเลยอ้าวหุกปากพูดแล้วจะใครจะได้ยินด้วยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่เราทำวัดเสา้าวันนี้ก็เป็นวันอังคาร ที่สิบเก้าผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเราให้มันมีค่ามีราคาคุ้มค่ากับเรามาคนมาแต่ไกล้ๆแบบนี้ค่ารถมาคนมาใกล้ๆ ก, ก็เดินมาก็ถึงบางคนมาไกลกับขี่รถมาถ้าหากมันไม่คุ้มค่าแล้วมันก็หมดเงินหมดทองเราควรจริงอันนี้ะถึงเราจะรู้ก็ประสบจริงๆถึงเราไม่รู้ก็ประสบจริงๆดูวันจะตายนี่เอง เราเรียกสมมุติว่าตายจวนจะตายแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปทางไม่ถูกมันก็ผิดหวังเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปในทางถูกเราก็สบายเรียกว่าตายเสียก่อนตายยังไม่ ม, มีลมหายใจเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นอย่างนี้วิธีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเรียกว่าเป็นปฐมมาสารผู้ติญสารตัดติญาาาสารจัดตุธาสารปัญจมาสารตัวสุดท้ายนี่แหละ หลวงพ่อพูดแล้วเมื่อกี้เนี่เหมือนกับมีหิ้งสามขาหรือมีไม้สามท่อนมามัดให้มันยั่งกันไว้อย่างนี้ก็ได้ตัดขานี่มันยังสองขาจะเอายันไปคังทางมันมีขามันก็อยู่ไม่ได้ตับเอาไปทางสองขาแล้วแับนี้ยังขาเดียวจั่งไม่ได้ตั้งยังกัไม่ได้ไม่ขาเดียวขาไม่ฝังเอาเน้อแล้ก็เลยมาเปรียบว่าคนสองคนก็ได้สามคนก็ได้ทําการทํางานนายกอต้องทําอย่างนี้นายขอต้องทําอย่างนี้นายงอต้องทำอย่างนี้พอดีอ ได้เวลาตีละคังเป้งวางดินสอวางกระดาษพร้อมกับลุกเก้าอี้ ก, ก็ว่างอันนี้เราควรมเปลี่ยนแปลงมันจะมาจุดนีน้ทุกคนนี้ไม่พ้นที่หลวงพ่อนำมาเล่าเป็นความจริงเนี่ยคนจะลวงทุกปฏาปปัญญาไม่ใช่เป็นการนึกกันที่ปัญญาญาของวิปัสสนาได้เกิดขึ้นแล้วให้กับบุคคลผู้นั้นเลยจว่าจิตของผู้ใดจิตของผู้ใดได้ไม่ใช่เป็นจิต ข, ข, ของพระพุทธเจ้านะ